เพื่อมาทําความดีมาละบาปและมาชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ซึ่งเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าของพวกเราและของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาตัดสรู้แล้วมาประกาศ พระทำคำสอนเผยแผ่ให้แก่สรรโลกก็จะสอนเหมือนกันทุกๆพระองค์เพราะนี่เป็นหลักความจริงที่ตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาเหมือนกับความจริงอย่างอื่นความจริงอย่างอื่นจริงในวันนี้แต่ในวันหน้าก็ อาจจะเปลี่ยนไปได้แต่ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุนี้เป็นความจริงที่เป็นอมตะคือไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตามการตามเวลาทรงตัดว่าเป็นอากาลิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาเป็นความจริงที่สัตว์โลกทุกๆรูปทุกๆคนนั้นจะต้อง สัมผัสรับรู้ก็คือความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของสัตว์โลกทุกๆคนนั่นเองพวกเราทุกคนเกิดมาเราคงไม่มีใครบัดเสธว่าความสุขเป็นอย่างไรความทุกข์เป็นอย่างไรเพราะพวกเรานั้นสัมผัสกับความสุขความทุกข์อยู่ตลอดเวลา แต่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์แรกเท่านั้นที่สามารถกำจัดความทุกข์ภายในใจให้หมดไปได้ให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวอยู่ภายในใจหลังจากที่พระองค์ทรงได้พบกับความจริงนี้แล้วดูแล้วว่าการกระทำอะไรบ้างที่จะทำให้พระองค์นั้น มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในพระทัยของพระองค์เลยพระองค์ก็ จ, งจึงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกด้วยความกรุณาคือความสงสารสงสารที่เห็นสัตว์โลกแต่พวกเรานี้ยังมืดบอดอยู่กับ เรื่องของความสุขและความทุกข์ทั้งๆที่พวกเราทุกคนพยายามหาความสุขกันพยายามกํ า, กกกากจัดความทุกข์กันแต่การกําจัดความทุกข์ของพวกเราและการสร้างความสุขของพวกเรานี้มันกลับตกลับกันแทนที่จะความทุกข์จะหมดไปความสุขจะมีมากขึ้นมันกลับเป็นตรงกันข้ามกัน มันกลับมีความทุกข์มากขึ้นมีความสุขน้อยลงไปเพราะใจของพวกเรานี้มืดบอดมองไม่เห็นความจริงคือเหตุที่ทําให้เกิดความสุขและเหตุที่ดับความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราถ้าเราสามารถที่จ ะ, ะลบล้างความมืดบอดที่ปิดกัน้น ไม่ให้เราเห็นเหตุของความทุกข์และเหตุของความสุขได้พวกเราก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้เหลือแต่ความสุขอยู่ภายในใจเพียงอย่างเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงกระทำมาดังนั้นเนื่องจาก ความกรุณาของพระพุทธเจ้าจึงเสียสละยอมเสียสละเวลาของพระองค์ทั้งหมดตั้งแต่วันหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุตั้งแต่ทรงมีพระชนอายุ35พันษาจนถึงอายุ8ปสิบพันษาคือเวลา45สหปีนี้ได้ทรงทำหน้าที่เผยแผ่สั่งสอน ทำอันประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงตัดสรู้ให้แก่สัตว์โลกโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนไม่มีไม่มีเรียกค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทรงให้เป็นธรรมทานเป็นทานแก่สัตว์โลกสัตว์โลกผู้ที่มีบารมีมีอินทรีย์ที่แก่กล้าพอที่จะรับ แล้วนำเอาไปปฏิบัติได้ก็ปรากฏเป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นจำนวนมากที่เราเรียกว่าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่เป็นปุถุชนผู้มีจิตใจที่มืดบอดเหมือนพวกเราที่กำลังเป็นอยู่ขณะ น, นี้แต่เนื่องจากท่านได้บำเพ็ญบุญบารมีมาพอสมควร พอได้รับยินได้รับได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนก็สามารถที่จะนําเอาไปปฏิบัติและทําให้จิตใจของท่านสว่างสวัยขึ้นมาสามารถมองเห็นเหตุของความสุขและความทุกข์ทั้งหลายได้จึงสามารถทําใจของท่านให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของพวกเราแทนพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อมาจนถึงทุกวันนี้พระอาหารหันตสาวกนี้แลเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้รับรองพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่สุดถ้าเป็นคนไข้ก็เป็นผู้รับรองยารับรองหมอ ว่ายาชนิดนี้หมอคนนี้เป็นหมอที่แท้จริงเป็นยาที่แท้จริงสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หายไปจากร่างกายได้ฉันใดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นยารักษาโรคใจก็คือความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้เอง ถ้าเราได้นำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสื่อใจด้วยการปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนพระธรรมโอสถนี้ก็จะมาทำลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปพวกเรานั้นจึงควร มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเชื่อในพระอริยสงสาวกทั้งหลายว่าเป็นผู้ได้พิสูจน์พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วและได้ยืนยันแล้วว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้องที่จะนําพาพวกเรา ให้ไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายได้นี่คือเหตุหรือสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราคือเราต้องเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกับเราเชื่อหมอเชื่อยาเชื่อพยาบาลถ้าเราไม่เชื่อหมอเชื่อยาเพือ่อพยาบาลเราก็จะไม่ไปหาหมอไม่ไปหายาไม่รับประทานยา ไม่ไปหาพยาบาลถ้าเราไม่ไปหาหมอหายาหาพยาบาลโรคภัยแค่เจ็บของเราก็จะไม่หายฉันใดถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความทุกข์ของเราที่มีอยู่ภายในใจนี้ก็จะไม่มีวันหมดไปตายไปแล้วเราก็จะต้องแบกเอาความทุกข์ไปด้วยเพื่อ ไปเกิดต่อในพบหน้าชาติหน้าแล้วก็ทุกต่อไปอย่างที่เราได้ทุกมานับไม่ถ้วนแล้วในแต่ละพบแต่ละชาติพระพุทธทร ง, งเปรียบเทียบว่าน้าตาที่เราหลั่งที่เราร้องไห้ที่เกิดจากความทุกข์ใจในแต่ละพบแต่ละชาตินี้ถ้ามารวบรวมกันแล้วจะมากกว่าน้ำในมหาสมุทร ที่ดูกันแล้วกันว่าภบชาติของพวกเราที่ต้องทุกข์กับเรื่องต่างๆนี้มากมายกายกองเพียงไรถึงจะทำให้น้ำตาของเรานี้มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่เราไม่น้อมเอาเพราะธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินี่คือเรื่องของพวกเราถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำความดีต่างๆให้เราละบาป ท, ทั้งปวงและให้เราชาระใจ ของเราให้สะอาดบริสุทธิ์คือต้องกาจัดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในใจเพราะเป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์ต่างๆให้เกิดขึ้นนั่นเองนี่คือการกระทำสารประการด้วยกันที่พวกเราจะต้องทำการกระทำเหล่านี้เรียกว่ากรรมกรรมดีก็ให้ทำ กรรมชั่วหรือบาปก็ให้ละการชำระใจให้สะอาดบรยสุดก็เป็นการกระทำกรรมดีที่ดีที่สุดแต่เราต้องทำจากน้อยไปหามากจากง่ายไปหายากการทำความดีที่ง่ายที่สุดก็คือการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อืนเช่นเรามาทำประโยชน์วันนี้ เรามีอะไรมากน้อยเราก็นำเอามาถวายพระเพื่อที่จะแบ่งปันความสุขของเราให้แก่พระบ้างเพราะพระถ้าไม่มีญาติโยนนำกับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานมาถวายพระก็จะเดือดร้อนก็จะต้องทุกขบากทุกข์ยากลาบากและอาจจะไม่สามารถ อยู่เป็นพระต่อไปได้เพราะจำเป็นจะต้องออกไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองเหมือนกับญาติโยมทากันอยู่แต่เนื่องจากญาติโยมมีความเชื่อในเรื่องของการทำความดีคือการทำบุญจึงได้ยอมเสียสละเวลาสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบางส่วน ที่มีพอจะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้นำเอามาถวายพระที่วัดนอกจากถวายพระที่วัดแล้วความจิงญาติโยมจะทำบุญกับผู้อื่นก็ได้จะให้ข้าวของเงินทองแก่ปุถุชนคือคลวาะญาติโยมด้วยกันก็เป็นบุญเหมือนกัน หรือจะสงฆ์สัตว์เดรัจฉานเส้นสุนัขที่จอดจักที่ไม่มีใครเลี้ยงดูให้เขาได้มีอาหารรับประทานอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีเป็นการทำบุญเช่นเดียวกันเพราะการทำความดีการทำบุญนี้จะทําให้ใจของเรามีความสุขนั่นเอง คำว่าบุญนี้แปลว่าความสุขใจดังนั้นการกระทาบรรดที่ทำไปแล้วทำให้เราเกิดความสุขใจและไม่มีความทุกข์ใจตามมาก็เรียกว่าบุญแต่ถ้าการกระทาบนไดที่ทำไปแล้วมีความสุขใจแต่มีความทุกข์ตามมาอย่างนี้ไม่เรียกว่าบุญเช่นเราอาจจะมีความสุขจากการดื่มสุรายาม แต่หลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีความทุกข์ตามมาร่างกายของเราก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ารับประทานสุราไปนานๆไปมากๆต่อไปก็จะเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังตับไตก็จะมีอาการชํำรุดสุดโซงและจะถึงจะเสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควร อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญไม่เรียกว่าเป็นการให้ความสร้างความสุขให้กับใจแต่เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยเอาความสุขเล็กๆน้อยๆมาอำพรางไว้เหมือนกับน้ำตาลที่เคลือบยาขมสาเหตุที่เขาต้องเคลือบยาน้ำตาลไว้กับยาขมก็เพราะว่าคนไข้กินยาขมๆไม่ได้นั่นเอง ต้องเอาน้ำตาลมาเคลือบไว้เพื่อเวลารับประทาน mm hmm. เวลากลืนเข้าไปจะได้กลืนได้รับประทานได้แต่ถ้าไม่มีน้ำตาลเคลือบไว้เลย mm hmm. ก็จะรับประทานไม่ได้นี่ก็คือเรื่องของการสร้างความทุกข์ในในรูปแบบของความสุข mm hmm. เช่นอามายอมุก ต, ต่างๆนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า มันเป็นความทุกข์มันเป็นความเสื่อมเสียมันไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลแต่มันมีความสุขเล็กๆน้อยๆไว้คอยหลอกล่อคนที่ไม่ฉลาดคนโง่คนที่ไม่พินิจพิจารณาขบวนการของการกระทาของตนว่าเปีผลอะไรให้กับตนจึงหลงติด อบายามุกต่างๆเหมือนปลาที่ไม่ฉลาดที่ไปพุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหยื่อนี้มันซ่อนเบ็ดเอาไว้ทําให้ปลามองไม่เห็นเบ็ดแต่พอตะคุบเหยื่อก็ไปในปากแล้วก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวคอเอาไว้เป็นทุกข์ทรมานอย่างมากฉันใดอบายามุกต่างๆ หรือการกระทําบาปต่างๆนี้ก็เป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดมันให้ความสุขเราเล็กๆน้อยๆตอนที่เราได้เสพได้สัมผัสได้กระทําแต่หลังจากนั้นแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้แก่เราเป็นเวลาอันยาวนานเราจึงควรที่จะหลีกเลี่ยงการ หาความสุขแบบนี้คืออย่าไปหาความสุขจากการเสพสุรายาเมาหรื อ, อยาเสพติดต่างๆหรือบุหรี่เป็นต้นเพราะสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขนิดเดียวแต่ให้ความถูกมากให้ความทุกข์มากกว่าหลายเท่าหรือการเล่นการพนันก็เช่นกันเวลาได้ก็ดีอกดีใจแต่ก็จะเกิดความโลภอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีก ก็ต้องกลับไปเล่นใหม่เล่นได้มากเท่าไหร่ก็ต้องเล่นมากขึ้นไปเท่านั้นจนในที่สุดก็จะต้องเสียหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินถ้าไม่มีปัญญาใช้หนี้เขาได้ก็ต้องไปหาเงินมาโดยวิธีที่ไม่ชอบไปทาบาปไปลักขโมยไปช่อโกหรือถ้าไม่สามารถหาเงินมาใช้เขาได้ ก็จะถูกเขาทุบทำลายร่างกายและอาจจะถูกเขาฆ่าตายได้นี่คือความทุกข์ที่จะตามมาจากความสุขที่เราคิดว่าเราได้จากการหาเงินแบบง่ายๆเราอยากจะหาเงินแบบง่ายๆเราก็เลยหาเงินแบบนี้กันแต่ในที่สุดแทนที่เราจะร่ำรวยเรากลับจะหมดเนื้อหมดตัวจะหมด แม้กระทั่งชีวิตของเราไปนี่คือสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ต้องพิจารณาเวลาที่เราทำอะไรถ้าเราไม่รู้ก็ขอให้เราศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้มากอย่าที่ว่าฟังเทศน์หนเดียวแล้วพอพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้มีเป็นหมื่นเป็นแสง เราควรที่จะพยายามศึกษาไปวันละเล็กวันละน้อยวันหนึ่งถ้าได้ได้ฟังเทศฟังธรรมสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนี้ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างมากเป็นมงคลแก่ชีวิตเพราะเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่ได้ยินได้ฟังอย่างที่เรากำลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้แล้วเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอเราฟังซ้าอีก ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นหรือเป็นการเตือนความจำว่าบางทีเราฟังแล้วเราก็ลืมไปเพราะเราโมวแต่ไปคิดเรื่องอื่นเรื่องทรมาหากินเรื่องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต่างๆเรื่องหาความสุขต่างๆก็จะทำให้เราหลงลืมไปว่าเรากำลังหาความสุขหรือหาความทุกข์กันแน่แต่พอเราได้ยินได้ฟังทมบ่อยๆ พอเราอยากจะไปดื่มสุราเราก็จะจําได้ว่านี่เป็นการสร้างความทุกข์ <ix> พอเราอยากจะไปเล่นการพ น, นันเราก็จะรู้ว่ามันเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุข <X> เราก็จะได้ยับยั้งได้หยุดได้ <X> หรือถ้าเราจะไปทำบาป ท, ทำกรรมเราก็จะได้รู้ว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่ได้เป็นการสร้างความสุข เราก็จะยับยั้งได้ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจำนานๆานฟังทีเราจะลืมหมดเลยสิ่งต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังเพราะในชีวิตของเราในแต่ละวันนี้เราต้องคิดเรื่องต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องการทำมาหากินเรี่ยยงชีพหาความสุขต่างๆถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเดี๋ยวเราจะ ลืมไปว่าเรากำลังหาความสุขหรือหาความทุกข์กันแน่ดังนั้นการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องสาคัญหรือการอ่านหนังสือธรรมะเพราะจะทำให้เราเกิดปัญญามีความฉลาดรู้ว่าเราจะทำอะไรที่ถูกที่ควรในขณะใดเวลาใดที่เรากำลังจะทำในสิ่งที่ไม่ชอบเราก็จะได้รู้ว่า เรากำลังทำผิดเราก็จะได้หยุดเสียก่อน เ, ออเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะสามารถบำเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้เช่นทำความดีต่างๆในวันนี้ก็ทำทานทำอะไรทำเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นทำกับพระก็ได้ทำกับคารวาก็ได้เช่นผู้มีพระคุณของพวกเรา บิดามารดาเป็นต้นครูบาอาจารย์เป็นต้นมีอะไรที่เราพอที่จะทําให้ท่านมีความสุขได้ก็เราไม่ควรที่จะปล่อยปะากเลยถึงแม้จะไม่อยู่ด้วยกันเพียงแต่โทรศัพท์หากันคุยกันเวนลาห้านาที10นาทีก็ยังทําให้พ่อให้แม่มีความสุดใจมีโยมชลาคนหนึ่งใส่บาปอยู่ทุกวัน แต่บอกว่าทุกวันนี้ที่อยู่ได้ก็เพราะได้กำลังใจจากลูกลูกคอยเป็นห่วงถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่กับแม่แต่ก็คอยโทรศัพท์มาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเวลามีเวลาว่างก็จะามาเยี่ยมเอาข้าวเอาของอะไรต่างๆมาให้หรือถ้าแม่อยากจะไปวัดก็จะพาไปวัดไปกราบพระไปฟังเทศฟังธรรม ทำให้แม่มีความสุขมีกําลังจิตกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปคนเหล่านี้บางทีมันอยู่ที่กําลังใจถึงแม่ร่างกายนี้จะอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีกําลังใจนี้ก็จะอยู่ไม่ได้จะไม่มีกําลังใจที่จะดูแลเลี้ยงดูร่างกายจะไม่กินข้าวมากเท่าที่ควรจะหลับนอนไม่สนิท ก็จะถูกโรคภัยเบี่ยนเบียนได้แต่ถ้ามีกําลังจิตกําลังใจที่จะอยู่ก็จะมีความขยันที่จะดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆส่วนหนึ่งก็เกิดจากกําลังใจของลูกหลานของญาติสนิทมิตรสหายนั่นเองเพวกเราจรึงไม่ควรทอดทิ้งกันควรจะช่วยเหลือกันดูแลกัน ตามอัตภาพอย่าอย่าตามเข า, าเรียกสังคมนิยมในสมัยใหม่ที่คนในสมัยใหม่นี้มักจะแยกกันอยู่พอลูกโตขึ้นหน่อยมีครอบครัวก็แยกออกจากบ้านกันปล่อยให้พ่อแม่อยู่ตามลาพังอย่างนี้เราอาจจะมีความสุขที่เรามีความอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ แต่เรามีความทุกข์คือเราจะมีความว้าเหวมีความเศร้าซ้อยหมอยเหงาเพราะเราจะไม่มีเพื่อนไม่เหมือนกับอยู่ในครอบครัวใหญ่ๆพ่อแม่พี่น้องอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันคนไหนมีปัญหาก็ช่วยกันไปคนไหนรู้สึกว้าเหวก็ทําให้เขาไม่ให้ว้าเหวได้แต่ถ้าเราแยกอยู่กันตามลําพัง บางคนก็ต่างดูแลตัวของตัวเองก็จะไม่คิดถึงการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นพอเวลาผู้ผเราหรือผู้อื่นเขาเดือดร้อนต้องการช่วยความช่วยเหลือก็จะไม่มีใครมาช่วยเหลือนี่ก็เป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้คือเราอยากจะอยู่อย่างอิสระไม่ต้องมา กังวลกับพ่อกับแม่ว่าจะคอยบอกคอยว่าเราหรือจะต้องคอยกังวลว่าเราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้หรือไม่เราก็แยกไปอยู่ตามลำพันธของเราเราก็อาจจะมีความสุขจากการได้ดื่มสุราได้เที่ยวได้ทำอะไรที่พ่อแม่คอยห้ามคอยเตือนแต่ในที่สุดเราก็จะเกิดความ ว, าว้าเหวเกิดความงอยเหงาขึ้นมาได้ แล้วเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครดังนั้นขอให้เราคิดถึงการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นแล้วต่อไปผู้อื่นเขาก็จะช่วยเหลือเราอย่ารังเปียดในการที่เราจะร่วมอยู่ด้วยกันเพื่อเราจะได้ดูแลซึ่งกันและกันนี่คือการทำความดีก็คือการมีความเมตตากรุณา ต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันนั่นเองอยู่ด้วยกันอยู่กับใครที่ไหนเห็นเขาเดือดร้อนก็พยายามช่วยเหลือกันไปอย่าปล่อยประลาบเลยเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วต่างคนก็ต่างอยู่กันต่างคนก็ต่างจะไม่มีที่พึ่งในอย่างที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ จะหาความสุขไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เราพยายามหาความสุขกันนี่คือเรื่องของการทำความดีเราต้องช่วยเหลือกันดูแลกดูแลกันแล้วก็ต้องไม่เบียดไ ม, ไม่เบียดเบียนกันคือไม่ทำบาปต่อกันไม่ทุบทำร้ายร่างกายหรือชีวิตของกันไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นถ้าเขาไม่อนุญาต ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นไม่โกหกหลอกลวงต่อผู้อื่นพูดอะไรก็ให้พูดความจริงให้มีความจริงใจต่อกันเพราะความจริงใจนี้เป็นสิ่งที่สําคัญต่อการอยู่ร่วมกันถ้าเรามีความจริงใจต่อกันเราก็จะมีความไว้วางใจกันก็อยู่กันได้อย่างอย่างมั่นใจ ว่าจะไม่มีภัยต่อกันนั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีความจริงใจเราพูดไม่จริงถ้าเขาจับได้เขาก็จะมีความลังเลสงสัยมีความไม่มั่นใจในความเป็นมิตรของเราว่าเราจะเป็นมิตรที่แท้จริงหรือไม่ดังนั้นเราก็ต้องอย่าไปทำบาปด้วย แล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความล่่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีความทุกขุ่นวายใจส่วนเรื่องของความทุกข์อย่างอื่นที่เกิดขึ้นภายในใจนี้มันเกิดจากความโลภความโกรธที่เกิดจากความหลงอีกต่อหนึ่งความหลงนี้ก็คือเราไม่รู้ว่าความจุี่แท้จริงนี้มีอยู่ในใจของเราแล้ว รอให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจเท่านั้นเองแต่ความหลงนี้ทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบกลับไปเห็นว่าความสุขของเรานั้นอยู่ภายนอกอยู่ในลาบยศสารเสริญอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผัวทพะต่างๆเราจึงออกไปแสวงหาราบยศสารเสริญ ส, สุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความทุกข์มันเป็นเหมือนความทุกข์ที่เคลือบด้วยความสุขเล็ ก, ลกๆน้อยๆนั่นเองมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีปัญญาเห็นความจริงอันนี้ได้จึงทรงตัดการสแสวงหาราบรลดเสริมสุขทั้งหมดอยู่ในพระราชวังก็เสด็จออกจากพระราชวังแล้วก็ไปอยู่ตามป่าตามเขา เพื่อหาความสุขที่มีอยู่ในพระไถ่ของพระองค์นั่นเองด้วยการเอาชนะความโลภความโกรธให้ได้ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญวิปัสสนาวเวลาจิตใจสงบด้วยสมาธิความโลภความโกรธก็จะหยุดทํางานพอไม่มีความโลภความโกรธก็จะมีความสุขเกิดขึ้นมา และเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสารเสริญสุขต่างๆถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขภายในใจอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะพร้อมที่จะตัดการแสวงหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญสุขได้ดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดว่าการแสวงหา ความสุขทางลาบยศสารเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขอย่าไปหาให้หันมาหาความสุขจากการทําจิตใจให้สงบ ก, ก็คือการนั่งสมาธิการที่เราจะนั่งสมาธิทําใจของเราให้สงบได้เราต้องมีสติคือเราต้องมีสติดึงใจเอาไว้ให้อยู่กับ ปัจจุบันให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าปล่อยให้ใจลอยไปตามเรื่องราวต่างๆเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วใจเราไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ดีหรือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือเรื่องที่อยู่ที่กรุงเทพหรือที่บ้านถ้าเราปล่อยให้ใจคิดอย่างนี้เรียกว่าเราไม่มีสติ ถ้าเราดึงใจให้รับรู้อยู่กับเรื่องที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นในขณะนี้เรากำลังฟังเทสเราก็ดึงใจให้อยู่กับการฟังเทสให้รับรู้กับเรื่องต่างๆที่เรากาลังได้ยินได้ฟังอย่างนี้เรียกว่ามีสติถ้าเรามีสติดึงใจอย่างนี้ได้เรื่อยๆเวลาที่เราจะดึงใจให้อยู่กับลมหายใจเข้าออก หรือการบริกรรมพุทโธพุทโธใจของเราก็จะไม่ไปหาเรื่องอื่นจะอยู่กับการบริกรรมอยู่กับลมหายใจแล้วไม่นานใจของเราก็จะดิ่งลงสู่ความสงบเวลาจิตดิ่งลงเข้าสู่ความสงบนี้จิตก็จะปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสปล่อยวางร่างกายร่างกายจะนั่งอยู่นาน มากน้อยเพียงไรจะไม่รู้สึกอาการเจ็บปวดเลยลูกเสียงต่างๆจะไม่ได้ยินเลยหรือถ้าได้ยินก็จะไม่ลำคาญใจจะไม่สนใจจะนิ่งอยู่กับความสงบจะมีความสุขอยู่กับความสงบนั้นถ้าเราสามารถทำความสุขอย่างนี้ให้ปรากฏขึ้นมาในใจเราได้แล้วต่อไปเราก็รู้แล้วว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาหาความสุขจากสิ่ง อ, อื่น เพราะมันเป็นการหาความทุกข์ควบคู่ไปด้วยส่วนความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้ไม่มีความทุกข์ตามมาเพียงแต่มีความทุกข์ตอนต้นเท่านั้นคือเราต้องฝืนใจต้องบังคับใจต้องฝืนกับความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆอยที่เกิดขึ้นจากการนั่งแต่พอจิตของเราเข้าสู่ความสงบแล้วความเจ็บของร่างกายนี้ก็จะหายไปเลย ความทุกข์ยากลำบากต่างๆที่เกิดจากการฝืนบังคับใจให้นั่งสมาธิก็จะหายไปหมดเลยจะเหลือแต่ความสุขอย่างเดียวแล้วต่อไปถ้าเรานั่งจนชำนาญแล้วเราจะไม่รู้สึกฝืนใจเลยและเราจะไม่รู้สึกเจ็บที่ร่างกายเลยเพราะทุกครั้งที่เรานั่งใจของเราจะรวมเข้าสู่ความสงบก่อนที่ร่างกายจะเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมา นี่คือความสุขที่เราจะได้จากใจของเราจากการนั่งสมาธิแต่พอเราออกจากสมาธิใจของเราก็จะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะกว้านเอาความทุกข์ต่างๆเข้ามาเราก็ต้องใช้ปัญญาคือจะคิดเรื่องอะไรก็คิดได้แต่อย่าไปคว้าเอาเข้ามาในใจเรารับรู้แล้วปล่อยวางรู้ว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปทุกข์กับเขา ปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะถ้าเราอยากแล้วสแสดงว่าเราดึงเรื่องนั้นเข้ามาสู่ใจของเราถ้าเราไม่อยากเราก็ปล่อยของเขาไว้อยู่ข้างนอกเช่นเรื่องต่างๆที่เราไม่อยากมีความเกี่ยวข้องด้วยอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นปัญหากับเราแต่ถ้าเรื่องใดเราไปมีส่วนอยากได้อยากรู ans ans ้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ท, าทันทีเวลาที่ไม่ได้ดังที่เราต้องการดังนั้นเวลาที่เราคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามเราต้องคิดโดยไม่มีความอยากโดยคิดโดยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราหรืออยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรามีหน้าที่ที่เราต้องทำอะไรเราก็ทำไป ได้มากได้น้อยก็ย <familia> ินดีตามที่เราได้มาอย่าไปอยากได้มากสมมุติว่าเราอยากได้มากแล้วเราได้น้อยเราก็จะเสียใจหรือเราอยากได้มากเราอยากได้น้อยแล้วเราได้มากเราก็จะไม่พอใจเช่นเดียวกันเช่นเราไม่อยากให้คนเขาด่าเรามากพอคนก็ด่าเรามากเราก็จะไม่พอใจเราก็ชดทุกขใจได้หรือถ้าเราอยาก ได้เงินมากแล้วเราได้เงินน้อยเราก็จะไม่พอใจเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วยื่น อ, อกยอมรับกับผลที่จะเกิดขึ้นได้มากได้น้อยได้คําสรรเสริญหรือได้คํานินทาเราก็พร้อมที่จะรับได้หมดอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์นี่คือการรักษาใจของเราให้มีความสุข ในขณะที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิคือเราต้องรู้จักปล่อยวางเราต้องพร้อมที่จะรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามถ้าเรารับได้ใจของเราจะไม่ทุกใจของเราจะมีความสุขมีความสงบตลอดเวลานี่คือเรื่องของการปฏิบัติต่างพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสามประการด้วย ก, กัน คือการทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยการทำบุญการละบาปทั้งปวงด้วยการรักษาสีและการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาบาเพ็ญกันวันนี้ถ้าท่านสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องรับรองได้ว่าต่อไป ความสุขจะมีมากขึ้นความทุกข์จะมีน้อยลงไปตามลำดับและหมดสิ้นไปได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญมาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำมาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา